แสงของความคิดในภูมิมืดและภูมิสว่างเมื่อกี้นี้ข้าพเจ้าได้กล่าวว่ากระแสความคิดที่พุ่งออกมานั้นจะปรากฏเป็นแสงวาบขึ้นที่ปลายทางความจริงเช่นที่ว่านี้เป็นไปได้ทั้งกระแสความคิดพุ่งไปมาในระหว่างโลกทิพนี้หรือกระแสความคิดที่พุ่งมาจากโลกมนุษย์สู่โลกทิพด้วยก็ได้ แต่ใน ก, กรณีที่ข้าพเจ้ากล่าวถึงความคิดที่ท่านคิดเล่นๆในโลกมนุษย์และจะปรากฏเป็นภาพฉายหุ่อมออกมให้เห็นในบรรยากาศรอบตัวท่านนั้นจะเอามาปะปนกับพวกเราในโลกทิพนี้ไม่ได้คือเราเห็นรูปร่างความคิดของท่านได้แต่เราไม่เห็นรูปร่างความคิดของพวกเราในโลกทิพด้วยกันเองเพราะถ้าเกิดเป็นจริงเช่นนั้นในที่นี้ด้วยแล้วลองคิดดูก็ได้ว่าชาวโลกทิพจะแลดูเป็นคนแปลกประหลาสักเพียงใด ที่ต้องมีรูปร่างของความคิดต่างๆห้อมล้อมตัวให้ผู้อื่นเห็นอยู่ตลอดเวลาเช่นนั้นดังนั้นเรื่องนี้จึงจําเป็นต้องทําความเข้าใจกันเสียให้ถูกต้องคือส่วนของโลกทิพนั้นแทรกซ้อนกันอยู่กับในโลกมนุษย์ในที่แห่งหนึ่งๆโดยเฉพาะตัวอย่างเช่นในขณะที่ท่านกําลังอ่านหนังสือเล่มนี้อยู่นั้นยังไม่ใช่เป็นภูมิแห่งแสงสว่างอย่างแท้จริงคือยังเป็นภูมิที่มือดอยู่เหมือนกัน จริงอยู่ในบางแห่งอาจมีความสว่างปรากฏอยู่บ้างแต่เมื่อกล่าวโดยทั่วไปแล้วก็เรียกเดา ว, ว่ายัางเป็นส่วนที่มืดอยู่โดยปกติความคิดที่เป็นกุศล น, นั้นมีลักษณะเป็นประกายแสงสว่างอยู่ในตัวดังที่ข้าพเจ้าเคยกล่าวมาแล้วว่าความประณีตของจิตมีลักษณะทำให้เกิดแสงสว่างดังนั้นจึงเห็นได้อย่างชัดเจนในท่ามกลางความมืดที่ล้อมรอบอยู่เหมือนกับที่รอจุดไฟในห้องที่มืดสนิท แม้ว่าจะมีไฟดวงเล็กๆก็ย่อมมองเห็นได้ชัดเจนฉะนั้นแต่ถ้าท่านลองนำไฟดวงเดียวกันนี้ออกไปสู่ที่มีแสงสว่างมากๆเช่นกลางแสงแดดเป็นต้นความสว่างของดวงไฟนั้นจะปรากฏว่าลดน้อยลงอย่างมากมายทันทีอันที่จริงดวงไฟนั้นก็ยังคงมีอยู่หรืออาจมองเห็นได้บ้างแต่แสงที่เปล่งออกมานั้นจะไม่ออกไปไกล จะถูกจํากัดอยู่ในบริเวณต้นกาเนิดของแสงนั่นเองจากข้อความที่เปรียบเทียบนี้อาจทําให้เห็นข้อเท็จจริงได้บ้างพอสมควรว่าความคิดของเราชาวโลกทิพย์ด้วยกันซึ่งอยู่ในภูมิที่มีแสงสว่างแรงกล้าเป็นอย่างยิ่งนั้นย่อมมีสภาพที่ผิดกันกับความคิดของชาวโลกมนุษย์เพียงใดแม้ว่าจะมีอํานาจและพลังเช่นเดียวกันได้ก็ตาม อันที่จริงข้าพเจ้าก็ใคร่ที่จะขอเพิ่มเติมข้อความเปรียบเทียบ น, นี้ต่อไปอีกสักเล็กน้อยว่าแม้ความคิดเล่นๆของเราก็มีใช่ว่าจะต้องมีลักษณะเหมือนกับดวงไฟกลางแสงอาทิตย์เสมอไปคือเห็นได้บ้างนิดหน่อยโลกที่เรามีกฎธรรมชาติที่เรียบร้อยกว่านั้นชีวิตของเราไม่มีความยุ่งเหยิงเช่นนั้นเลยดังนั้นเราจึงมีสิทธิ์ลีอำนาจที่จะเก็บความคิดอันใดของเราก็ได้ไว้เป็นเรื่องความลับเฉพาะตัวของเราคนเดียว อันที่จริงถ้ามิได้เป็นเช่นนั้นแล้วการพูดจาติดต่อ ก, กันละกันคงจะลำบากพิลึกจริงอยู่เราอาศัยอยู่ในแดนแห่งความจริงคือเราไม่มีการโกหกหรือมีมายาต่อกันแต่เราก็รู้จักกาลาเทศะว่าควรพูดหรือไม่ควรพูดเหมือนกันคือไม่ใช่ว่าขึ้นชื่อว่าเป็นความจริงแล้วเราก็จะต้องพูดได้ทุกกรณีเสมอไปเช่นเดียวกับในโลกมนุษย์บางครั้งเราก็ถือว่า พูดไปสองไยเบี้ยนิ่งเสียตำลึงทองเหมือนกันดังนั้นข้อสำคัญของผู้ที่อยู่ในโลกทิพนี้ก็คือการหัดคิดให้ถูกต้องซึ่งผู้มาถึงใหม่ๆจะต้องหัดดูสักพักหนึ่งอันที่จริงก็ไม่ใช่ของยากลำบากมากมายอะไรแม้ว่าฟังดูรู้สึกว่าจะ น, น่ากลัวอาการอยู่บ้างก็ตามเพราะเป็นเรื่องของความคิดที่เกี่ยวกับบุคคลอื่นมากกว่า ความคิดในเรื่องของสภาวะแวดล้อมหรือธรรมชาติของโลกทิพย์เมื่อเราคิดถึงบุคคลหนึ่งบุคคลใดก็ตามถ้าความคิดนั้นมีแรงพอก็จะทำให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกตัวได้ทันทีและถ้าเป็นความคิดที่เป็นกุศลหรือที่ประกอบด้วยอารมณ์สนุกสนานอีกฝ่ายหนึ่งก็จะได้รับรู้เจตนาและอารมณ์นั้นร่วมกันกับผู้คิดด้วยแต่ถ้าเกิดไปในทางตรงกันข้ามหรือเป็นความคิดที่ไม่ดีนัก ความลับก็จะไม่เป็นความลับอีกต่อไปแต่ดังที่ข้าพเจ้าได้กล่าวมาแล้วว่าความคิดที่จะพุ่งตรงไปยังอีกฝ่ายหนึ่งได้นั้นจะต้องมีกำลังหนุนอยู่ในตนเองอย่างเพียงพอความจริงข้อนี้เป็นเครื่องช่วยคิดไว้ได้มากเพราะถ้าบางครั้งเป็นเรื่องของความคิดเล่นๆไม่เป็นจริงเป็นจังอย่างไรผลก็จะไม่เกิดขึ้นไปถึงอีกฝ่ายหนึ่งเลยและเมื่อเรารู้ความจริงเช่นนี้แล้ว เราก็จะมีสติคุค้มครองตอนได้มากขึ้นซึ่งต่อมาไม่ช้าก็จะกลายเป็นนิสัยไปเอง